สารายได้จากการสร้างทีมผู้จำหน่ายองค์กรของคุณที่เติบโตจะเป็นฐานรายได้ที่มั่นคงให้กับธุรกิจฟูร์ไลท์ของคุณองค์กรที่เติบโตจะมีการรวมคะแนนทั้งองค์กรช่วยให้คุณมีตำแหน่งที่สูงขึ้นและมีรายได้ที่สูงขึ้นตามเพราะทุกครั้งที่ดาวไลท์ของคุณมีการสั่งซื้อคุณจะมีรายได้ตามทันทีในการสร้างองค์กรของคุณคุณไม่ต้องรับผิดชอบดูแลมากมาย เพราะจะดูกันที่สามชั้นเท่านั้นสามชั้นที่คุณจะพุ่งเป้าที่เหลือระบบจะช่วยคุณสร้างองค์กรเอง